วันนี้พวกพุท ธ, ธบริษัททั้งกระหัสแต่บรรดาชีพทั้งหลายจงพากัรสั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของพุทธศาสน า, าของเราชาวพุท ธ, ธบริษัททั้งหลายซึ่งมีความประรพความเลื่องใรในพุข ธ, ธรรมประสง์ จึงไม่มีสัทธามารวมเป็นเนสโมสอนที่นี้เพื่อจะฟังเพื่อจะถวายถ้าอาบน้าฝนตามการตามสมัยที่พวกเราทั้งหลายเคยสฏิบัธรรมกันมาทุกปีมิเลพันวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเป็นนั่นเหมือนกันฉะนั้ น, น, นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย มาหัดดสการฟังคำในที่นี้มันก็มีความลำบากมีความทุกข์เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั่งก็เป็นทุกข์เพราะว่านั่งโดยการครพบนั่งโดยการครวะต่างกายมันก็เป็นการที่บางคับตายบางคับจิตไปในตัวของมันอันนี้ก็ดีเมืนกัน มันจะได้เห็นผีเดชมันจะได้มีโอกาสเห็นผีเดชของเรามันจะมีมันจะได้เห็นโอกาสไม่ว่าการงานในทางโรคและการงานในทางธรรมจะต้องปฏิบัติไปโดยธรรมคือธรรมะเรียกว่าการสีธรรมคือความอดทนความอดทนนั้นนี้เป็นแม่บทสิ่งทั้งหลายทั้งตัวคือ ต้องอดทนทางตายการไม่นั่งไม่เคลื่อนในไหวไม่ได้ตามป่าธนานั่นก็เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าทุกข์ทางตายมันเกิดขึ้นมามันก็เดียวโยงไปถึงทางใจด้วยเมื่อตายเป็นทุกข์ใจมันก็ไม่สบายเพราะว่ามันเป็นเครื่องสําคัญกันอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถึงแม้อย่างไรก็ตามเถอะ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 ทลายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เช่นาตาของเราไปรู้รูปมันประสงค่งไปหายใจหูของเราฟังเสียงมันประสงค์ไปหายใจเป็นผู้ทํา ง, งานจมูก ร, ร้อนกลิ่นมันประสงค์่งไปห้ใจเป็นผู้ทํา ง, งานลินริมรถมันประสง่งหายใจทํางานโถท่าสุกซ่องทางกายเป็นต้นมันประส่งไปหายใจทํางาน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 หูก็มีหน้าที่อย่างร่างกายมันก็มีหน้าที่อย่างต่างคนต่างหน้าที่ทั้งหลายมีอยู่แต่ว่าหน้าที่ทั้งหลายส่วนนี้ภาอิจตนาภายนอกใอนสวงวงก็ไปส่วนกลางในส่วนใหญ่ให้จิตเป็นคนที่ทํางานคนเดี้ยวฉะนั้นจิตของเรานี้จึงเป็นภาระหนักที่สุดที่จะรับความผิดชอบในเรื่องตาเรื่อหูหรือจมูกลื่นกายที่ส่งกมานั้น ตามันไม่รับรู้มันส่งเข้ามาเท่านั้นแหละงานเขมันมีเท่านั้นโอมันก็มีเท่านั้นมันรับแล้วมันก็ส่งเข้ามาไม่ไม้ดูเรื่องมันไม่รับความผิดชอบต่อใครเท่านั้นแหละรีนก็ดีกายก็ดีเป็นต้นมันรับส่งเข้าโรงงานแล้วมันก็เฉยมันหมดภาระมันแล้วนะมันจำเป็นมันก็ไปเป็นภาระอยู่ที่ใจฉะนั้นใจนี่จริงไม่ค่อยสบาย ใครๆก็ไม่สบายใจโดยมากกับขมาหลวงพ่อโกงมาตราหลวงพ่อวัดมาทำไมอีสันไม่สบายใจเพราะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหูมากระทบมันกระสวงขมาจมูกกระทบอะไรมันกระสงขมาทีนั่นเนี่ยฉะนั้นคนไม่สบายใจแล้วเขนามาหาวัดกินสมหากูบาอาจารย์แก้ความทุกข์ยากลำบาก ว า, วาว่ามันเป็นอะไร อ, อันนั้นแหละการฟังธรรมนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีผ้าอาบน้ำฝนมาถวายเครื่องสักฆราบูชามาถวายแล้วก็เป็นสัตว์ว่าอาไม่สบูชาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างมากแต่ว่ามันไม่ยิ่งทำไมถึงพูดอย่างนั้นมันมากแต่ว่ามันไม่ยิ่ง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 ษษอุปชาติอาตมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยตั้งคืนมาขโมยเรถคันหนึ่งไปก็วิ่งมาหาตาไม่สบายใจหลวงพ่อรถคันเดียวเขาก็เอาไปแล้วที่ันจะไม่มีอะไรกันแล้วพวกเดาน้ำตากระยดลงน้ำตากระยดลงนะอย่างนี้เลยแก้ทุกข์กันไปสักประมาณสักกิบนาที แล้วก็มีโยมจำบนตำขวงมาหาอีกคนนึงนกัคลางทำไมมือพ่อมือวานคือคอร์นี่บ้านผมตายสี่คนทำไมเงียผมกระตายรูปผมกระตายตายหมดสี่คนเลยครับทำไมกินแจงเหตดมันเบือเห็ดไม่ตายทีนี้โยอมมาสมาที่อยู่รอยเหตดนั้น นี่หน้าบานขึ้นซะหน่อยนี่อ า, อาตมาได้ทาอรมาโยมเปลี่ยนชันเอาไหมรดหายคันหนึ่งกต่คนตายสี่คนเปลี่ยนชันเอาไหมเอ๊ะนี่ว่ายัางไงคนคนที่รดหายนั่นเลยหัวเราะเป็นมาเลยแต่รถยังไม่ได้มาเลยนะดีใจแล้วก็เพราะว่าเขาตายสี่คนมันหนักตัวเราแล้วเราดีเบา ข้างรถยัไม่ได้มาเลยหัวเราะกันได้ทีเดียวว่าอ้านั่นชีวิตคนเขาตายไปสีคนมันมาักกว่าเราแล้วไอ้คนที่รถเสียทันหนึ่งเลยเบาขึ้นในหัวเราะนีะ่นี่แหะคือคนคิดมันเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ก็คิดว่าแอบรถเราเสียไปของเราไม่ตายมันไปยังดีเะนั่นชีวิตเขสี่ ค, คนตายไปเอาคืนมาไม่ได้มันหนักกว่าเราเรื่องเกินเราได้เป็นของเบาขึ้นมานี่ มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ึ้นมานะมันหมดทุกพอจะเห็นสี่งอืนมันมากกว่าเราแล้วเลียสบายแล้วเท่านี้นะเข้าใจว่ารถมันหายไปตัวเรายังอยู่หาอีกได้ไอคนที่ตายไปแล้วเอาขคืนมาไม่ได้มันยิ่งมากกว่าเราคิดเท่านี้เองแหละคิดถูกทางมันจะคิดเปรียบเทียบเมื่อถูกต้องมันเล ย, เลยสบายเลยอาณาโยมนะ ไอ้จะามาก็แก้ไ้ว่าคนที่ตายไปสี่คนนี่นายโยมนะก็เพราะเขาเกิดมาสี่ค น, นเขาก็ตายไปสี่คนนนะเ อ, อ้ใครใครทังเกิดมาอีเขาก็จะตายอย่างนั้นนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจเขาเป็ียนเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าตั้งแต่สี่ค น, นเลยเกิดมาทุ ก, ทกคนจะต้องตายทุกคนเท่านั้น ไม่ต้องเสียใจเพราะเขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาไอคนที่รถหายไปนั้นเราไม่ต้องเสียใจมันหรอกรถยังมีเยอะแยะไปรถที่พันมันหายไปนี้เราก็นึกว่าจะหาเงินมาซื้อมันไม่ได้แต่ก็ซื้อมันได้อันนี้เมื่อมันหายไปแล้วก็นึกว่าจะหาซื้อน ไ, ไ ด, ได้ได้อีกหลายพันตัวนี้ทุกทุกคนก็เดยเกิดความสบายใจไปเอาละ่ะ ลูกที่มันตายนั่นก็เสียดายกับพินากไม่รลดสังเวชมันจะทําไงได้ละ่ะแต่เราทุกๆคนไม่ว่าไม่ว่าเมียเราลูกเรามันตายน่นตัวเราก็สมัด ต, ตายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ถึงเาละเราเท่านั้นเอง อ, อันนั่นเขาลัดคิวเราไปก่อนเนี่ยเขาเร็วนะนี่เรายังอยู่เนี่ยก็มีราคาเสมอกันทางนั้นอันนี้พูดถึงความทุกข์ของเราเกิดเป็นมาเพราะว่าไปทุก ตับสีนวนสิ่งนี้ทุกวันนี้กว่ามันตันการที่ทุกเพราะลูกโดยมากเกาะลูกหลานอันนี้เป็นเหตุให้พวกเราสังารนอนไม่ได้กินไม่หลับเพราะลูกมันสอนไม่ได้อืลูกมันดื้อครูก็ไม่สบายใจชอบเด็กนักเรียนมันดื้ อ, อไม่รู้ว่าจะทำยังไง ไม่ว่าจะเด็ดนั่งเดียนนี่รครูกับครูก็ยังวุ่นวายกันอีกมันก็ยังรื้อมันมีแต่เรื่องทุกข์กันไปหมดทั้งนั้นแหละไม่มีใครเป็นสุขเลยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์มากเกินไปจะให้พวกเราทางไหนเอาสิ่งที่มันควรจะได้สินะ่งที่มันควรได้แก่เราเราเอาสิ่งนั้นอย่างเรามีระลำเล็ดเล่ากับบรรทุกไปไหลายๆเที่ยว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 เครื่องแวดแล้อมันมันไมนักอย่างทุกวันนี้อืทุกวันนี้มันหนักจิ่งไปกว่านั้นแต่หากว่าเรามันคุ้นเคยพิจารณาไปแล้วมันก็จะหายคนแก่ตามเมืองอุบลเราลูกลูกหลานหลานเมืองอุบลเรานะประยุกต์มันมาถึงเข้าวใหม่ๆนุ่งน้อยหอมน้อยนะคนแก่ไม่อยากจะดูเลยรังเกียจมาก นอแต่มันทํำมันเปรตมันซีอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกวันนี้รู้มันใเฉยๆแต่วันนี้ด้วยว่ายังไงก็เป็นยังไงอะลูกเราก็เป็นเข่าลูกเขาก็เป็นเข่าเมียเราก็เป็นเข่าเมียเขาก็เป็นเข่าเลยแล้วนี่คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น so อันนี้เราจะไปวุ่นวายกับมันมากมายเลยลูกของเราให้มันเรียนเยอะสอนมันไป มันได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นแหละนะเมื่อเราตายไปแล้วนั้นเมื่อมันทําไม่ดีมันกัทุกมันเองล็อกเราไม่ได้กลับมาทุกข์กับมันล็อกให้เงินมันแสนหนึ่งล้านหนึ่งมันมีทุนไว้มันจะไปเล่นไพ่หมดโดยช่างมันเถอะเมื่อเราตายไปแล้วเลยมันมาทุกข์กับมันแล้มันทุกข์มันเองมันล็อกถ้ามันเป็นคนดีแล้วไม่ต้องลงทุนมันมากนะสอนแค่ปากเปล่าให้มันเข้าใจตอนนั้นแหละ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 บำรุงบำรเรอลูกจนให้มากม า, กมากเอาใจมันทุกอย่างแม่ครับพอครับอ่อนน้อมมันด้วยเกินเลยมันจะทำอะไรก็ให้ตามใจมันทุกอย่างเมื่อมันโตมาแล้วนะมันก็ไม่เชื่อเราไม่ฟังเรานีพความรักความรักนั้นแหละมันเป็นโทษความรักมันเป็นทุกข์ความรักนั้นมันเป็นเหตุมันเป็นแค่อย่างนี้ ไอความรักนั่นน่ะใจรักเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสสอนสอนสาวกของท่านท่านรักสาวกของท่านตัวสาวกจะเป็นทุกข์หลายนอนมากอย่าไปนอนมากันเลยกินมากจะไปกินมันมากเลยอะไรทุกอย่างตันาไม่น้อยน้อยเท่านั้นแหละอืมน่ะท่านดูพระเจ้าผสมท่านท่านสอนท่านรักลูกของท่านพระพุทธเจ้านี่ยสอนเนี่ยมากน้อย ให้สั่นโหลดอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีไม่ง่ามเกิดขึ้นในตัวเองอย่าไปทําอะไรที่ให้มันเป็นโทษแก่เจ้าของให้โทษแก่ผู้อื่นทาน่าสอนท่านนั่ น, เ, นเรียกว่าพระพุทธเจ้าสรญรัตลูกของท่านสอนคิดใ น, นร่างสอนจนลูกของท่านผู้ฟังทำท่านประพฤติปฏิบัติตามท่านเป็นสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโน เป็นพระอริยะบุคคลทังนั้นนี่เป็พระท่านรักลูกของท่านโดยธรร ม, มะเรารักลูกของท่านโดยหลักธรร ม, มะเช่นนั้นแล้วท่านจะปล่อยไปที่ไหนก็ได้จะปล่อยไปในป่าก็ได้ไปในกรุงก็ได้ไปที่ไหนก็ตามดีทีเดียวไม่เยอะใหญ่ในสมบัตเิเจ้าของแล้วไม่เยอะใหญ่ในสมบัติคนอื่นแล้วไม่เยอะใหญ่ในสมบัติของเทวดาแล้ว จะไปทิศไหนก็สบายใจไม่เป็นทิศไม่เป็นภัอันนี้อลวงพ่อท่านเจ้าสั่งสอนท่านรักรูปของท่านท่านต้องสอนท่านตรร้องเตืยนท่านต้องว่าท่านต้องกล่าวตั้แก่บวชมาใหม่ๆใช่ไหมให้เจษารโลมานะขาทันตาต า, ต า, ต า, ตาจอขี้ไปไปเถอะขี้ไปในตรงที่มันเห็นเห็นอยู่นั่นแหละโสมไม่งามขนไม่งามเล็บไม่งามฟันไม่งามหนังไม่งามเห็นไหมแล้ว เห็นไหมเห็นตามเป็นจริงไหมเราเห็นว่ามันสวยมันงามพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สวยไม่งามตรงกันข้ามโดยให้ภาวนาปิจาอยู่สารพัดอย่างอันนั้นท่านลูกเยอะท่านสอนลูกของท่านโดยธรรมะของท่านตรวจเป็นลูกของท่านทุกคนแล้วเป็นต้นะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายต้องเป็นผู้สอนตนเองเเก็บเป็นในตัวเลยเมื่อตกกระแสพังปัศวดาบันแล้ว พระพุทธเจ้าท่านปล่อยแล้วไม่หนักแล้วจะมีพันหนึ่ง 1, ก็จ่างแสนหนึ่งก็ตามเนี่ยท่านเท่านั้นเนี่ยอาจจะมาก็ายังเคยไปเทศให้เขาฟังอยู่ทางยุโรปว่าไอ้พวกศาสตร์ทั้งหลายนี่โดยมากมันจเจริญมาทางยุโรปก่อ น, นมันจะแพร่ไปถึงเมืองไทยทุกทุกศาสตรนั่นเองนะถ้ากาเรียนไปเถอะ รู้สึกว่ามันจเจริญ ม, มาทางชาวตะวันตกนี่มากแล้วก็แพร่ออกไปทั้งหลายของชาวเอเชียทุกศาสตร์ทุกวันนี้ยิ่งอืลหลายศาสตร์ทุกศาตรแต่ว่าศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้ดีอยู่เช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมาสัมภาษณ์วศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แต่มันยิ่งศาสตรของท่านทําไมถึงว่ามันไม่ยิ่งแต่ว่ามันดีอยู่ มีแต่พร่องในดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเอามาแบกไว้แต่ว่าไม่รู้จักทิ้งสร้างขึ้นมาแล้วไม่รด้จักแก้ไขให้คนจากความทุกข์สร้างธรรมะตรายิ่งทุกข์เรียนธรรมะตรายิ่งทุกข์พูดก็เก่งพูดอูกเสดวยพูดเก่งเสดวจพูดดีเสด็จแต่ทําไม่ดีทะเาะการเสียงกันแย่งกัน ฉะนั้นศาสตร์นี้ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิง่งถ้าพวกคุณทั้งหลายนั้นน่ะจะไปสรบฟังเอาศาสตร์พระพุทธเจ้าก็มาปากตนเข้าสักห้าสิบเปอร์เซ็นนี้ศาสตร์ของพวกท่านทั้งหลายนี่จะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้จะไม่เดือดร้อนจะทําประชาชนเราทั้งหลมีศีลมีธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขใบาเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้เพราะศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นศาสตร์ที่เกียกว่าพุทธศาสตร์นั้น เป็นที่รวมแผนศาสตร์ทั้งหลายความรู้ทั้งหลายไปรวมอยู่ที่นั่นถ้าไม่รวมอยู่ที่นั่นความรู้นั้นใช่ไม่ได้ความรู้นั้ น, น, นยิ่งเป็นต้นดีอยู่แต่ว่ามันนัยยิ่งศาสตร์พวกเธอทั้งหลายนั้นแตคล้ายก็บว่าคนมีรู้จักเอาส่วนผสมกันขึ้นมาทําเป็นญาพิษ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 ถ้าหากว่ายาพิษของคุณมันดีจริงๆเนะี่ยขอให้คุณกินดูเลยนะถ้าหากว่ายามันดีคุณจะยอมกินไหมสบายหนามันกินไม่ได้ทําไมของดีไม่กินือนี่แหลแสดงว่าศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แท้ว่ามันไม่ยิ่งคือท่านทํายาพิษมันก็เป็นพิษจริงๆให้สาตร์กินมันก็ตายจริงๆแต่ว่าให้คุณกินคุณไม่ยอมกินนี่หนละดีอย่างนี้มันไม่ยิ่ง ไม่เหนอนศาสตร์พระพุทธเจ้าถ้ารับรองว่าศาสตรของเราดีได้ยาเราดีแล้วปรุงดีแล้วธรรมดีคุณก็จะกินได้อันนี้มันมีตายกันมันมีวุ่นวายกันมันมีเป็นทุกข์กันมันมีเป็นโทษกันมันมีทะเลาะกันอันนั้นมันไม่ดีซะแล้วมันดีของคนหลงซะแล้วเมื่อพุทธศาสนร์นั่นท่านไม่ตราบอย่างนั้นถ้าหากว่า อคุณธรรมของท่านที่ศาสตร์ของท่านสรรเสริไว้ว่ามันดีแล้วนั้นยัง่ว่าท่านรับรองในาศาสตร์ของท่านโดยจะไม่มีโทษาศาสตร์นั้นแหละทําให้มนุษย์พุทธวิสัตธ์ทุกตัวหน้าพากันอยู่เย็นเป็นจุกมันเป็นเช่นนั้นอันนี้แหละการเกี่ยวแก่การทุกข์ไอ้ความทุกข์ของพวกเราสลายนั่นแหละมันเป็นเหตุทุกวันนี้อืมเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังธรรมว่าเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมานั้น ลูกเราเนี่ยมันไม่ดีน่ะก็เป็นทุกข์กับมันมันทําไมมันจะเป็นทุกข์กับมันมันทําไมมันทึกมันไม่ดีมันทําไมถึงมันไม่ดีอืมจะทํำยังไงนะหลานอาตมาคนหนึ่งมันเป็นมะเร็งลูกอาอยู่ที่บ้านเนี่ยแม่ให้มาหาเนี่ยจะหาท่านอาจารย์มีไฟแล้วเลือดก้อนเดียวกันแต่เราทำไมได้ มันก็าหาเป็นขโมยลักโทรลกักตะเ บ, บออยู่ด้ว่วยๆวันไปเข้าบ้านไหนมาแะ้ใครจะฆ่ากูมาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะเขาฆ่าเอาเชือกไนล่อนมัดผิดกันโดยแค่น้ำมูลไหลมาแม่ไปดูที่โยมมาไปเห็นก็ร้องไงเลยจะร้องมันทำไมมันหาอย่างนี้นานแล้ว ออมันหาอย่างนี้นานแล้วยอมมือซะยกมือใส่หัวซะดีแล้วลูกเอ้ยได้ตามป่าธนาเจ้าแล้วดีกว่าก็ไปที่ไหนใครจะฆ่ากูง่มกฆ่าเถอะนะมันไม่กลัวใครมันไปล่องเลี่ยงเ้าฆ่าม่ทุกวันทุกวันมันหายมาหลายขีดแล้วมันในสมปาธนามันวันนั้นเขาฆ่ามันได้ตามปาธนามันแล้วแม่ไปเห็นยังจะไปล่องให้ก็มันยังไปโง่กว่าลูกอีกนั่น ยกมือหัวดีแล้วลูกลูกปรารถนามาหลายปีแล้วบัดนี้ลูกเลยสมดังปรารถนาแล้วสาธุมมันก็เท่านั้นมันก็พอแล้วเราก็อยู่ที่นี่เขาก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้าท่านก็ภาคิงเหมือนกันมีนายเศรษฐีฝึกมามันฝึกยากเหลือเก็มาเรียนถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าแล้วองค์เจ้าเคายสู้กิฝึกอย่างไรท่านก็เลยถามรศรษฐีว่า เธอฝึกมากเธอฝึกอย่างไรเนี่ยถามผื้อื่นนะผสมฝึกมากหากว่าตัวใดมันสอนง่ายกว่าให้มันกินยากมากออืถ้ามันสอนง่ายเ น, นี่ยะนิดหนึ่งมันยากกว่ามันกินยากจชนิดหนึ่งถ้ามันสอนยากเต็มที่ให้มันกินแค่นิดน้อยถ้ามันสอนไม่ฟังไม่ได้ฆ่าทิ้งเลยนะแต่ท้าโทษสอนดุจจิตตุวัญทันการนั้นคนนี้สอน มันง่ายมันกับอุปฏิตันยูอิปฏิตันยูก็อธิบายมันฟังพอสะควรมันก็เข้าใจมันก็สอนได้คนที่สามนี่สอนไปถูไป ถ, ไปถูมาก็เรียวกว่าภาษาเรียกระบาดสอนได้แต่ว่าถูไถถูไถพอถูไถไปถึงในการตอบโรงเรียนก็ได้ได้แบบถูไถนะทําที่ว่าถูไถเราฟังดูแล้วก็ นึกออกแล้วว่าอย่างน้อยกว่า น, นังหุนมันเลือกออกแหละลำบากเลยเดียกว่าสู้ไทนี่เสียว่าได้แต่ยว่าสู้ไท ย, ไ, ทวว ไ, ทยไอคนที่คิดยังไงอ่ะไม่ว่าแต่เราจะสอนเลยนะจะเอาไออะไรไปให้มันฟังมันก็ไม่ฟังนะมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นมันไม่ดูเรื่องเหมือนกับเราพูดตะลิงไปพูดธรรมะให้เรียนฟังเถอะ นะมันตอกเกากรดมันเฮ้ยอ่ามันไม่รู้เรื่องอ่ะเกเรย์ยังไไม่รู้มันเรื่องของดีนอื่าจะทำงั้นมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะท่านก็เออให้มันเป็นดีนจ้ะมันเป็นดีนไปนี่พระพุทธเจ้าปล่อยให้เป็นดีบาสมันก็ะทออไปถึงดีบาสเก่าเขาหนึีบาสก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นที่บาสของเขามันเป็นอย่างนั้นอมันก็เป็ี่ยนของมันอยู่อย่างนั้นมันไปไปที่ไหนแล้วมันอยู่แล้วน่ะมันอาใช้กรรมของมันแล้วมันไม่ไปแล้ว มันก็อยู่อันนั้นพระพุทธเจ้าจะเนี่กว่า ท, า, าทั้งฆ่าทิ่งท่านไม่เอาแล้วทั้งฆ่าทิ้งกันแล้วไม่รับปล่อยไว้ปล่อยแล้วจะไม่โกรดด้วยไม่ขยียดด้วยปล่อยให้สบายแล้วเจ้าจะทําจะไปไปลปล่อยแล้วนั่นทําไมถึงปล่อยเพราะมันมีคนเลี้ยงเขาแล้วอะไรเป็นคนเลี้ยงเขาทำทำของเขานั้น มันก็เป็นไปตามตามมันก็เฉยบากกันไปของมันด้วยไปเนี่ยมันสบายของมันอย่างนั้นเราก็เรียกว่าแหมมันลำบากเลยคนคนนี้นะมันไม่เกิดไม่เป็นมนุษย์แล้วมันลำบากอันนี้เราคิดผิดไปเห็นตัวจริงคือไหมแง่งงูตื่นเห็นไหมนั่นตัวจริงตื่นนะมันมีขาหลายขาไหมมีเท้าหลายเท้าไหม ถ้าไปเห็นจริงคือมันเดินแล้วก็ลังคานนะแม่ขามันตัางร้อยต่างพันต่างหมื่นต่างแสนมันเจตันเราเห็นมึนมันก็ดาบากนะไม่เหมือนขาเราขาเรามันสองขาเดินไปง่ายๆจริงคือเห็นมันจะเดินลาบากแต่ความจริงจริงคือมันไม่มีความรู้สึกลำบากเลยมันสบายสบายมันอยู่อันนี้จร่งคือไม่เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์กว่าขามันมากมันเจตัน ถ้ามีสองขาเมันเราแล้วมันก็สบายนี่ความคิดเราคิดอย่างนี้อืตรงขั้นการนั้นเห็นปูนาไปปูนามันตกใจคนเดินสองขายกโยกโยกโยกโยกมันโยงขันแฉนาอยู่วรนนาขนาดมันกลัวจะโล่มแต่มันมันโยกไม่มันคับหมดทั้งสอสองขาม้วคับไว้อมันกลัวเราจะโล่งทับมันตา มัีสองขาเดินไปยกยกยกยกเพราะจะมีตะห้าขาหกขามันก็ยังไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอออันนี้มีสองขาเห็นสกูร์ไหมมันยกไม่มันค้ำตรงนั้นอะมันกลัวมันตกใจมัน่ะไล่าวอันนั้นเป็นความโง่ของสกูร์ตรงนั้นแหละแต่ความเป็นจริงเราก็ไม่เป็นลายนะพอเรามีสองขาเกิดมาเราก็เดินเพรามันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องของมันนี่อย่างนี้อันนี้เหมือนกันเราให้รู้จักตัวของเราอย่าไปทิ้งตัวของเรา อย่าไปคิดในแง่ที่มันจะเป็นทุกข์แหมลูกปูเนี่ยทามันไม่หยุดทำมันไม่ฟังแล้วเน่ะปูตายไปมันเกิดทุกข์มันจะยากมันจะลำบากมันจะอะไรต่ออะไรวุ่นวายอมลูกสอนไม่ฟังความนั่งขายหน้าขายตาอะไรต่ออะไรวุ่นวายคิดใน้ง่มันทุกข์มันก็ทุกข์จะไปคิดอะไรต่างนั้นก็สอนความดีให้มันแต่มันก็หมดแค่นั้นไงสอนที่คนไม่รู้จักมันไม่ยากหมันต้เอากับเรา สอนที่คนรู้ห่ะมันคนรู้ไม่ทำํำเราจะทํายังไงมันเราจะมาร้องไห้มันทําไมยกมือใส่หัวแล้วก็นั่งภาวนาโคโตโคโตเนี่ย ม, มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอันนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ตามท่องตรัสมันเป็นอย่อยางนี้ในโลกนี้สุวรรณตาตมาเห็นว่าลูกลูกหลานหานนี่ ladder ladder สอนมันพอนสมควรแล้วนะแล้วสอนสุกวันณสุวรรณสอนลูกสอนหลานตัวจะรู้เราจะไม่ดี ตอนเย็นสอนตอนเช้ากอตอนเรื่อยๆฝ่าตัวลูกจะไม่ดีในความเป็นจริงลูกคนนั้นแมไในแม่ในชู้ชี้ทุกวันทุกวันนะเออตายในสมองผมในหัวผมชี้สาผมจะแตกแล้วมันไปโรงเรียนก็นหนีไปเลยมันมาว่านในตัวแม่จะบ่นในมันชู้ชี้มันแต่แม่ก็ยิ่งยิ่งบอกอยิ่งยิ่งว่าเราสอนลูกลูกมันนิ่งีเกียจรังเกียจหนีไปสอนมันจนเกินไปในมันดี่ะ เอาน้ำเทจะสั่นเลยีิเทมากๆมันจะได้รับอยู่ห่างมันก็ล้นเรานั้นมันก็รับจริงๆที่มันมีในน่ะเมื่อมันเดือดอันมันก็ร่นทิ่งไปเปล่าๆเท่านั้นแหละอันนี้เราต้องดูจัดจังแบบอาธีของมันที่จะสอนลูกเรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ครังพระพุทธเจ้ามาพ่อแม่ก็ทุกข์ก็รูอย้ก็จะแบบทุกข์เพราะแต่คนโง่คนไมมีปัญญาเท่านั้นแหละมันโง่มันก็ทุกข์รั่วไหล มันเป็นใจอย่างนั้นตัวเรา น, นี่มีทุกทุกคน น, นี่สมวันตันเรามีพ่อแม่ทุกทุกคนมีพ่อมีแม่ทุกคนแต่ว่าเมื่อพ่อแม่เราจะตายนี่อยากเราก็เป็นทุกข์มแหน่มันจะไม่ชวนไหมนอะมันจะเหน่อยลาบากไหมนอะมันจะได้กินไหมเนอมันจะมีอะไรอะไรหมเนาะเนี่ยตัวจะตายแต่เาก็ยังคิดกับเขาอยู่นะ แต่พวกเราก็ะโถไถไปหาอยู่หากินไปได้เท่งนั้นแหละมีกินหลักสำคัญมันอาตมาบอกว่าหนึ่งมันมีปากต้องหากิมจะได้แต่กระท้องมันมีไส่อย่าไปจัวมันเลยมันมีปากมันมีท้องนั่นหากินได้แต่มันมีหูแล้วก็มันมีตามันฟังของมันได้ที่ตามีแสงสว่างได้อย่าไปจัวมันเลย ย่าเป็ตัวมันเองมากคิดจนเป็นทุกข์จนเกิดมาเป็นบาปกับลูกกับหลานกับพ่อกับพวกับถูกสิ่งสารพัดไอ้ความไปกินนั้นสิ่งทั้งหลายที่ต้องหาไว้บ้านนั่นแหละนะเราจะมีอำนาจแต่จะพ่อหารักษามันไว้เพื่อใช้สอนให้สะดวกเท่า น, นั้นเนี่เรามันมีหนา้าที่มีอำนาจที่จะไปยึดมันเอาดิมันมีหน้าที่จะทํามันรักษามันสะอาดมันเอาไปใช้เท่านั้นไง ไม่มีหน้าที่ที่จะเขาไปยึดมันไว้มาเป็นเรามันเป็นของเราแน่นอนอันนั้นเป็นใจเรื่องของเราจะรักษาไวา้เพื่อเด็กใช้ให้สะดวกสะดวกว่าเรามีชียิตอยู่เท่านั้นนะ่ะแต่จะมีหน้าที่พอไปยึดมันหมดหน้าที่ยึดไม่ได้อย่าไปยึดมันดังนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จักให้รู้จักของทางนอกรู้จักของทางในรู้จักตัวรู้จักตนรู้จักเรารู้จักเขา อันนี้เราสร้างลูกขึ้นมาแล้วสร้างทรักสมบัติเป็นมาแล้วเป็นทุกข์นั่งร้องไห้อยู่นี่ทําไม่ถึงเป็นอย่างนั้นจะหามาทําไมมีหามา ท, มามาทมาําไมหาแล้วมันเป็นทุกข์มีหามาทําไมเอาชิ้งจะบ้างมันหลายเกินไปรักษาไม่ไหวแจกคนขอทานจะบ้างมีท่ารวยแล้วมันเป็นทุกข์ทุกทําไมหามาแล้วเป็นทุกข์ทำไมจึงไปนั่งให้อยู่อย่างนั้นทําไมถึงมันเป็นทุกข์ มันเป็นเพราะอะไรนี่มันน่าคิดจะเตือนนะไอ้พวกเราทั้งหลายนี่บางคนก็ได้ทุกอยู่นั่นแหละทุกอยู่น้ำลูกน้าหลานจะปีนตะของนี่นั่นแหละให้เข้าใจว่าโยมเ น, นนะ่ะทุกข์เมื่อไรนั่นแหละตกนรกแล้วเข้าใจไหมอยากให้มันตกนรกธรรมะทุกข์ขึ้นมาเมื่อไรตกนรกแล้วอยากมากหิ้วกะหายเมื่อไรนั่นมันเป็นเปรตแล้ว มันเป็นผีแล้วเมื่อมันคิดลักษณะอาการของจีตสองคนแล้วเมื่อมี โ, ก โ, โรกปวดลุกขึ้นมาแล้วเราไม่เป็นสุกนานไม่มีความสุกนาอไม่มีความสุขมนุษย์คนคนเรานี่มันกแอแปรอตมาก็เคยมีดุกจิตหลายคนเมื่อแรกแรกมันจนๆอยู่เออคอยๆหากินนะเธออย่าไปเดินไถ่อย่าไปเดินเบอร์อย่าไปากินเหล้าเมายาพยายามหากินกินเฉพาะข้าวตามอาหารต่างนั้น อย่าไปเที่ยวมันจะรักษามานานมาก็มันทําตามมันไร ว, น ร, วนรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเลยมีขึ้นเนี่ยลืมตัวนะกินข้าวก็แม่บ้านทําอาหารนันไม่อร่อยกันแล้วต้องไปกินนอกบ้านนู้นกินเบียบบังกินเหล้าบังกินอะไระอะไรบังบุนบายเขาเอาแล้ว อ, อนานนานมาแต่สามทุ่มสี่ทุ่มมานานนานไปหกทุ่มมานานนานไปตลอดคึ้นไม่มานานนานไปมีเมียใหม่กะแล้วเอ้า เนี่ย <N ee> มันหาทุกข์มาใส่ตัวมันอีกแล้วมันโง่เกินไปมิเนี่ยไอพอมีพ่อกินพ่ออยู่แล้วมันมาอยู่ไอความไม่กินก็เมี่ยคนเดียวก็พอแล้วด้วยไงโยมหรือไม่พอเนาหัวคนเดียวก็พอแล้วอาตมาว่ามันอย่างนั้นมันก็พอแล้วอาตมาไม่เคยมีหรือจะว่าพอคิดเที่ยวกระนึ่งว่ามันจะพออยู่นะ ไอทำไมถึงทำกันเป็นอย่างนั้นอยากดีด้วยอยากชั่วกันหรอคิดจะมันดีเธออันนี้เพราะอะไรคงขาดทานภาวนาจะแล้วกินข้าวแต่ก็กินอาหารแต่มันก็พอแล้วเอออย่างน้อยก็สุบูรีใช่ไุบูรีใจะไปกินเหล้ามั่นมีเล้ามากินจ้กินเล่ามากินเล้าก็กินโน่นก็กินนี่แล้วกินโน่นกินนี่ กีหนึ 1, ่งกีสองกีสามเอไ อ, าอามาแล้วอืมาทุกประตูเขาตั้งตั้งเอแม่ว่านก็ตั้งข้าวเใช้ได้ท่านโกรเป็นกีแต่แล้วอืท่านก็ปั้งทั้งไงแต่แล้วเนื้อก็ทะเลาะกันเท่านั้นแหละมันมาไม่มีเวลาเนี่ยเนี่ยอาละเนี่พูดกันสามวันสี่วันไปเถอะอยู่ไปเถอะมันตกนรกทัทกกกกก้งนั้นนะไม่ใช่มันทํำมาความถูกหรอกมันตกนรกกันทั้งนั้นแหละนะ เราจะทิ้งทางหนึ่งสักทิศไม่ได้จะมีลูกทั้งนู้นแต่กระทั้งนั้นว่างก็ระทรวงนี้ว่างเงินมันก็น้อยนะไปทางนู้นก็เอาห อ, อกแทงมาทางนี้ก็ห อ, อก แ, งแทงไปทางนั้นก็ห อ, อกแทงก็คิดว่าหม่เราตายดีกว่านะไม่ควรจะอยู่ไปแล้วนี่น่ะนี่นี่มันใครทาให้เรานะอืมมันใครทําให้เราคนไม่ดูชะทุกมันผลทุกเรื่อของทั้งนั้นไะอันนี้ดาศาสตร์ทางนอกมนศาสตร์ป่า มันในศาสตร์ขึ้นมันเขาตกตามันเขาหวานตาการได้มันตุ้มมันศาสตร์ที่เขาในป่านี่ยั่นในศาสตร์ตีศาสตร์มันต่อมันจะศาสตร์ตัดอันนี้น่าควรพิจารณาเรามันเป็นยังไงก็เพราะการฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่พิจารณากลับท่านว่าอะไรพูดเปี่ยนผลว่าในความทุกข์เกิดขึ้มาเนี่ยมันเพราะอะไรมันไม่ทุกข์ขึ้นมาเฉยๆเนาะมันมีเรื่องทุกข์เกิขึ้นมาทีเดียวเนี่ย ต้องค้นหามันมันทุกข์ที่ไหนมันแก้ที่นั่นทุกข์เพราะลูกมันสอนยากนี่อ๋อมันทุกข์ตรงนี้นะอี่เราจะทำยังไงเนี่ยมันสอนยากถ้าสอนมันมันก็ไม่ฟังมันก็ยากอยู่อย่างนี้จะทำยังไงได้จะตายอยู่อย่างนี้หรือเราจะทุกข์อยู่อย่างนี้หรือก็แค่ใช้กัรกับคนเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วนั่น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 เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมานะมันโกรธอยู่กี่วันให้มันโกรธที่ใหญ่มันกี่ข้าวดีนะจะดีไหมนี่มันก็ดับเหมือนกันเมื่อความรักเกิดขึ้นมามันจะรักกี่ชั่วโมงนะให้มันรักอยู่นานๆแะเดี๋ยวมันก็เสียดีแล้วเนี่มันเกิดยังไงสุขเกิดขึ้นมาเราชอบมันสุขให้มันตั้งอยู่จะไม่ได้ตั้งอยู่นานทลายเยสุขมันก็หายไปอีกแล้วทุกข์มาเกิดขึ้นมาอีก แล้วกระทุกมันก็ตั้งอยู่ให้มันตั้งอยู่นานๆที่ทุกมันก็ไม่ตั้งน่ะมันก็หายทุกไปอีกมันก็ถุกแล้วมันก็ทุกทุกแล้วก็ถุกหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นเพราะมาอยู่อย่างเนี้ยเราก็ไปวิ่งตามมันอยู่อย่างเนี้ยแล้ววิ่งอยู่อย่างเนี้ยวิ่งแข่งเครื่องบินครับเครื่องบินมันบนในวินาทนั้นะเราวิ่ง ตามถนนตามบินวิง่งแข่งมันเนี่ยเอายังงั้นเนอะมันไม่ทานมันหรอกอันนี้เราต้องควรคิดว่าอันนี้คืออะไรอะไรเป็นอะไรเราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรตัวเรานี่เป็นอะไรหัวเป็นอะไรลูกเป็นอะไรสิ่งของเป็นอะไรมันเป็นอะไรเนี่มันมีอะไรไหมไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นนี่เป็นสิ่งโกหกหลอกลวงเท่านั้นเละเท่านั้นอันนี้ของเรานะเท่นั้นแหละ ท่านให้ว่าของเราอยู่พระพุยายจะยึดมันมันหายได้เพราะมันเป็นอย่างเนี้ไอตัวเราเนี่ยถ้ามีความสุขแล้วให้มีสุขเรื่อยๆถ้ามีมาแล้วเป็นต้นไม่อยากให้มันหายไปนะถ้าได้ความชอบใจมาแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นลูกเกิดมาถ้ามันมีความสุขแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นอใหย่จะเปลี่ยนเลยเกิดมาแล้วอย่าตายเลยนะใหญ่ๆง่ายตายด้วยกันไว้ ลองลองคิดดูว่าธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันตั้งแต่สร้างโลกนี้มาแล้วอือยอมลองลองจะหายหันใจเข้าไปอยากอาออกจริงอยู่ได้ไหมหายหายใจออกไปอยากามัเข้าในอยู่ได้ไหมนานไหมเมนก็ตัวหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ก็ได้เพราะอันนี้ชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้โลกนี้นี่เกิดตั้งอยู่เราหลับไปเกิดแล้วเกิดตั้งอยู่หับไปเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้ มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นอยู่ของมันอย่างนี้เราทุกหกคนนี้เหมือนกันเมื่ออยู่รวมกันในนี้อีกวันหนึ่งมันต้องแยกกันไปอยู่ได้แล้วจะไปร้องไห้จะไปเป็นทุกข์อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราสนใจในธรรมะอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจขนั้นี้อย่างนั้นก็ตกนรกอยู่กับทั้งวันเนี่ยเอาลองๆองดูก็ได้แต่ไม่รู้จักนรกอืมมันเป็นเป็นนั้นแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มันยุ่งแต่มันคิดมา ถ้ามันเป็นทุกมาเออไม่ควรทําให้เราอย่างนั่นไม่ควรทาให้เราอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นน่ะอันนะี้ไปไปพูดในเรื่องใส่ใจเราจะเป็นทุกข์ล้วนะ่ะเรื่องอะไรเป็นทุกข์ก็นั่งคิดผลมาใส่ใจมันจะทุกข์เนินหนังตากระไรเนีก็นอนไม่หลับจะเกิดโรคประสาทแา่ น, นั้นเองแหละมันจะยากอะไรแล้วปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นโรคประสาทอะไรเมื่อพูดกันพอสมควรแล้วนะ อย่างสามีจะไปมีเมียใหม่บอ ก, ลกอแล้วก็เลิกแล้วเอาไปเถอะไปนีก็เศ้าเมียสิบเมียก็ไปเถอะเรานอนในมุ้งเราสบายตอนนั้นะไปเถอะก็ปล่อยให้มันใช่มันไหายไปที่ไหนดอกเบี้ยก็หนีจากกันไปตอนนั้นหละเขาไม่เอาไปต้มไปแกงเรายัางเหลืออยู่คือเต่ามันนั่นแหละยึดจิดไปกลัวมันได้ยิ่งใหญ่มันหดได้ไปคิดทุกคิดยากคิดลำมากมันทําไมไม่รู้ธรรมะนี่ยนีจะโหมดหรือมันไม่หมดหรอ ไม่ตายน่ยตายแล้วมันหมดล่ะอืมไปคิดสมัยคิดให้มันเป็นทุกข์ก็ต้องฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่ามันก็ะพุนปุ๊บนี่เรื่องก็ไม่คิดว่าเออไม่ควรไหวเราจะ่างนั่นไม่ควรคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ควรทำาะนี่มี่จะรู้วนอนคิดเป็นทุกข์เดินหมดคิดให้มันทุกข์คิดต้องคิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันแก้ทุกข์ให้มันได้มันหายทุกข์เนี่ยอื อย่างนี้เรียกวบ่าเราภาวานามันงไปหายทุกข์ไอการที่ไม่มีทุกข์นี่เป็นลาภอันประเปิดแล้วโลกอนันนี้ถึงแม้ไม่นี้อะไรมากก็ตามมันเอะไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเราต้องการนี่นีปฏิบัติบูชานี่นายพรรษานี้ขุนพรรษานให้ญาติโยมทั้งหลายพากันคิดอย่างนี้พากันภาวานาอย่างนี้อจะพากันภาวานาให้เอาทุกข์มาใส่ใจของเราให้มันเมื่อทําได้เดียวนี้ก็ไปสวรรค์เดียวนี้แหละ นิพพานก็สร้างเอาเดี๋ยวนี้แหละก็เราบอกกันแล้วพูดกันแล้วเอโนอกันแล้วอย่างนี้แล้วก็ไม่หยุดเราก็จะทําำอะไรต่อไปอาตมาเห็น ม, มันง่ายที่สุดผูค้คิดอาตมาเหมือนกันถ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้นอาอตมาก็ยิ่งสบายใหญ่เลยเบียวไปทางนอก เ, เอาไปแล้วจะไปยังไงก็ไปก็เขาไม่เอากระเราแล้ว เราก็เลิกเท่านั้นแหละก็สบายเลยใช้ยี่ป็นทา้ช่างไถ้เถอะบอกแล้วพระพุทธเจ้าทรงกรเฉาะอย่างนั้นเรานี่จะต้องเอาไปให้หมดนะอืเอาทั้งรากมันเอาทั้งเถือกมันเอาทั้งแดดมันเอาทั้งใบมันเอามดทุกอย่างไม่ตนะ้องทิ้งทักอย่างเอาให้มดทุกอย่างเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็ดูนี่มือเราสิมันเสมอกันไหม อันที่มันนิ่วมันสั้นมีไหมนี่วมันยาวมีไหมตัดซะทีตัดให้มันเสมอกันเสียตัดเนี่ยนี่เราจะไปดึงมือมันให้มันมาทาแก้กันเนี่ยมันจะเป็นเปษดึงมือเลยเนี่ยใต้เป็นเศษใหญมันเป็นอย่างนี้เมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่โดยมากก็ไปมองใจคนอื่นทั้งอย่างถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นไอตัวเราไม่มองตัวเราเป็นยังไงบ้าง บางทีไม่มีใครมาขวนเราแล้วก็คิดกวนเราเองเข้าแล้วก็เป็นบ้าเราะเราไม่มีใครก็หกแล้วก็โกหกใจเราเองอีกจนเยอะแยะไปแต่ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยให้รู้โลกการฟังธรรมไม่รู้จักโลกเราอยู่กับโลกโลกที่ไหนไม่ใช่โลกคือแผ่นดินโลกคือหมูสัดนี้โลกคืออารมณ์นี้ที่มันยัวย่วยวนอยู่นี่มันเป็นทุกข์อีกเดือวนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดของเราคิดผิดมันก็เป็นทุกข์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 อยากให้ต้นไม้ในป่าดิให้มันใหญ่เท่าๆกันเสมอทุกต้นอย่างยังไงเยอะให้มันยาวๆทุกต้นเสมอการยังไงให้มันตร ง, นนรรงรทุงตกต้นอย่างนี้เราจึงจะสบายใจหรือจะทายังไงก็ต้นไม้มันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราฉลาดเนี่เป็นต้นต้นเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาแล้วก็ตัดเอาต้นมันตรงอมันยาวพ อ, อต้นพคตรๆมันจะไปให้โทษมันแต่มันเป็นยังังหนึ่งปา่า อันนี้กระบวการมรภาวนาในโลกนี่ให้รู้จากโลกโลกวิตูรู้แจ้งโลกโลกเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนะไม่ว่าจะอย่างอื่นเลยคิดเาไปมองคนอื่นซะให้โทษคนอื่นซะให้คนคนอื่นซะเมื่อมาถึงเราแล้วนะบางทีมันเกิดโลกขึ้นมานี่ร่างกายเราส่วนหนึ่งเนี่ยเอาแล้วสิเนี่ยยังไม่มองเห็นเลยว่ามันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นไข่เห็นไหมมันจะตายซะอย่างเนี้ยไม่ได้มองเห็นจะมองคิด รถจะเป็โหมทางนอกเดินมันไปซู่กลับมาบ้านเราจะเป็นทุกข์ออกไปทางนอกก็เป็นทุกข์ไม่มีที่อยู่จะเกิดมาแบกเอาทุกข์เกิดมาตกนรกบ้านหลังใหญ่เราสร้างขึ้นมานั่นน่าจะนอนในมันสบายของเที่ยวหามานั่นมันจะอยู่จะกินน่าจะกินใ น, นมันอร่อยอันนี้กินทั้งน้ำหูน้ำตาเหนื่อยเปรตทั้งนั้นเลย มันกินอย่างนั้นจิดของเรามันเป็นเปรตนั่นน่ะน่าจะกินเนีมันสบายสบายอันนี้อันนี้หาหาถ้พออยู่ได้กินชาวบ้านสร้างอยู่พออยู่อกินได้ก็มียังอยากเจ้าอะไรอีกไม่รู้เออยิ่งควนกันยิ่งอะไรต่ออะไรกันวุ่นนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ากันเรียว่าเด็กน้อยมันไม่ได้จับภาษาถ้ามาเด็กน้อยนั่นน่ะก็เรียกว่าจิต มันไม่เห็นธรรมะหยิบมันไม่รู้ธรรมะออทุกคนอายุหกปิดเจ็ดปิดแปดปิดนี่สุวรรันนะนี่อย่าพึ่งเข้าใจว่าเราโตนะเป็นเด็กตัวมีนะยังไม่โตนี่ก็เป็นเด็กคือไม่รู้จักธรรมะใจในสูงใจไม่เห็นเกลียดใจในพ้นความรคู้ความปวดความหลงมันเป็นเด็กที่เท่านั้นแหละเพราะว่านิดหน่อยก็นอไปเสีย ไม่พอใจขอคนละกงอเปรตโตที่ทะเลาะกันวุ่นวายกันนี้เด็กตรงนั้นแหละนั่นท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าเด็กหรือว่าเยาวชนไม่ใช่คนแก่แต่พูดเรืก่กงสบายใจของเป็นคนแก่นี่นพ่อมันเกิดมาเก็บทีดีแปรทีดีได้เองนี่มันเกิดที่หลังข้าข้าเห็นข้า เจ้พวกเธอทั้งหลายเห็นก่อนแล้วก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าคนเห็นฟ้าก่อนเพื่อนนั่นนี่มันดีฮะคนเห็นฟ้าก่อนเขานหนนี้มันดีไอสุนัขไอเดียนต้ามันแง่น่าเป็นนอนโอ้ยังงีมันก็เห็นฟ้าหรอกสุนัขนี่จะดีแบบไหนที่จะไปเห็นฟ้าเองดินไอเทียมันเห็นตัวของเรานี่นะ่ะพระพุทธเจ้าสัาสนติสนทร์เสด็จคนที่เห็นตัวของเรานี้ นี่แต่เน่คนโตคนใหญ่อืคนมีราคาคนรู้จักจะเกินมายี่สิบปีสามสิบปียี่สิบปีก็เด็กโตแล้วโตทางธรรมะรู้จักทางหน้าทางหลังรู้จักโลกนี้โลกนั้นรู้จักอานิจจังทุคตังอานาตารู้จักความเป็นไปของมันอย่างนี้มันจะพอเป็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์า็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ใจของเราเพราะเห็นว่า ทุกมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ติดต่อกันนะทุกวันนี้หลายปีหลายเดือนเน้่มันก็หยุดไปกระทุกเกิดขึ้นมาอีกเด็กระทุกมันก็หายไปแต่กระทุกเกิดขึ้นมาอีกก็ช่างไม่ดูมันนะพวกเราเลยนะบางทีกระทุกจะร้องไห้มันก็หายไปแล้วมันเป็นทุกก็น่าจะจดจําไว้ถ้าทูกอารมณ์อีกก็ร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกเอ้าทําไมมันไม่จดจําไม่มันดีหรือชั่วมันถูกหรือผิดมันดีเพราใจเราขนาดนี้อีก ต่อไปอีการมณ์ไม่ถูกอีกก็ร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกไม่รู้ว่าจี่หนนพันหนนธาตุหนึ่งจะไม่รู้จากว่าอันนี้มันเกิดมาเพราะอะไรอืก็เลยเป็นธาตุของมันเรื่อยไปมันบอกให้ให้ก็จงให้มันบอกให้หัวก็จงหัวมันบอกให้ยิงก็จงยิงมันบอกให้โคตรก็จงโคตรมันบอกให้โกหกก็โกหกอันนี้มันธาตุของศาสนาแท้ๆวกเราเนาะ ตัวเป็นตนโยมันจะยืนตกมือเลยมันเนี่ยธาตดีเดียวเสินบอกให้ให้มันก็ให้ сама, บอกให้หัวมันก็ห้อมบอกให้ยิงมันก็ยิงบอกให huh> ้นอนมันก็นอนบอกให้โกรธมันก็โกรธบอกให้ทุกข์มันก็ทุกข์นะถ้ามันเป็นตัวเป็นตนมันจะยืนตกมือเฮ้ยมันเนี่ยธาตดีเดียวเสินพูดอะไรฟังความันตรงนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละแก Amer ้อะไรด้วยธรรมะไม่ต้องไปแก่สิ่งอะไรแก้จิตของเจ้าของเองว่ามันเป็นอย่างนั้น อะไรเราหามันมานะบ้านเราสร้างมันมานะไอ้ควายเราหามันมานะเงินเราหามันมานะอะไรเราหามันมานะหามาเพื่อให้มันเป็นสุขทําไมถึงหามาเพื่อให้เจ้าของทุกข์นี่มันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะปลูกบ้านในปลูกวันมันเถอะปลูกว้านมันวันไม่ดีหรือมั้งนะแต่ไปหาลวงพ่อ ว่านี่ฉันนั่นแหนะไม่พ่ถูกกันต่อพ่อบ่านเลยมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะไอ้ฉันสงสัยว่าว่านี่ถูกแค่ไนถูกรืมันนะรื้อมันจะไม่ดีนะเออมันเป็นตอนนั้นเนี่ยเห็นไหม่เห็นเลไปหาดูหมอสิดูไปเถอะเออไอ้หมอเขามาสลับเท่าอีกนะตอนนั้นมันเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นอย่างนี้พอมาทะเลาะกันมาหยุด เพรพอเห็นไม่ไม่เห็นเพราะมันแก้ในทูกที่มันมันก็เป็นกับพ่อบ้านแม่บ้านนั่นแหละเคราะนั่นแหละพ่อเคราะหแม่เคราะมันจะตรงนั้นมันพูดไม่รู้เรื่องกันถ้าบ้านไปมันหัวไปมันจัว่าเฮ้ยไปโทษมันมันนะเฮ้ยไอความเป็จริงเราทะเลาะกันน่ะมันเป็นแค่อย่างนี้จะเราก็ไม่มองเห็นเราเราผิดไปมองเห็นว่าเขาโน่นผิด เขาผูกตัวไปมองว่าเขาผิดเราผิดไม่เห็นความผิดของเราไปมองว่ามันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นไป่างอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักธรรมะที่จะตตัดสินใจของเราใจของเราเป็นเมกลาตัดสินไม่ได้ซอยไปตามอารมณ์ไทรว่าอย่างนี้ก็ไปตามอย่างนั้นคนว่าอย่างนั้นก็ไปตามอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้อืม บางทีบ้านนังเนี้ยไม่ได้อยู่บ้านนี่อยู่ไม่ได้แล้วบางทีเขาไปบอกคนโน้นคนนั้นสั่ไปซื้อบ้านนังนี้เราจะไปดูหมอให้บ้านนังนี้ก็มาให้โทษเป็นเพราอยู่ไม่ได้แล้วคนอยู่บ้านนังนี้ไม่ได้ยี่งต่อไปนั้นวันนั้นพ่อบ้านตายต้องตีแมงแม่บ้านตายทิ้งไม้หมดคุณต้องตายได้เรียกว่าไม่สบายจะแล้วไม่สบายไปที่ไหนก็วายนั้นเนี่ยต่อเป็นเพาะจะแล้วขายบ้านนะโน้น นาก็มันการสามบาทนอกนานอยู่ไม่ได้แลแ้วเก็บทำไม่ได้อยู่ไป ต, ต, ต้องตายต้องขายเห็นต้นขายนาดีดีหมดนะไปชื่อเอานาจีนจายเานานาะนนาดีนาดีสวยๆนาดีๆมีข้าวมีปลามันเก็บทั้งนั้นแหละไปชื่อเอานาจีนจายเออหมดเพาะเลยจรงมันเป็นแบบอย่างนั้นคนัะมีที่ซื้ที่ปาอาศัยนั้น แค่นั้นการฟังธรรมอย่ามาฟังเฉยๆว่ามันติดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเราจะอยู่กันเฉพาอบ้านในบ้านแล้วไม่อยู่กันไปสองวันสามวันนะไม่อยู่กันไปตลอดชีิตเพราะเราจะอยู่กันไปจะแล้วะอืเป็นต้นพยายามอยู่กันเพื่ให้มันทะเลาะกันยัไม่จะมีความสุขอะไรมันนั่งอยู่ในกองไฟเหล่านั้นเนี่ยอันนี้แหละให้เราพิจารณาวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญจะมาอธิบายธรรมะตัดกัดต่อไป ในเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งชั่งหลายตั้งครงที่เป็นวิดีดีต้องอันนี้เป็นวันพระด้วยเนี่ยบ้านเราบ้านเรานี่ก็เข้าใจกันว่าอ่ามันไม่รู้จักวันพระวันเพนถ้าไม่รู้จักวันพระวันเพนก็ว่ากันนะอาตมาก็ยังไม่รู้จักว่าคนไม่รู้จักวันพระว่ามันไม่ดีเท่านั้น ที่นี้เมื่อไปเมืองนอกมาเขาไม่รู้จากบรรพายิ่งดีมาทุกวันไม่รู้จากบรรพะพอตอนเย็นมาออกจากทำ ง, งานมานั่งกรรมฐ า, านทุกวันถ้าไม่รู้จากบรรพารีพวกคนมีวันพระพากเอออัอตมาก็เพิ่งรู้จ้ะเพิ่งไปมานี่แหลบะบรรพระัไม่รู้จากบรรพามแต่เขามาทุกวันได้เกิดเป็นคนถูกต้องดีคนที่ดูจากบรรพะนะ แปกเมื่สารเอ้ยยังเนี่ยแต่มาก็ไม่ได้คิดทางเราอะไม่ดูจากบรรพามันเป็นเปรตเป็นผีไม่ดูจักบรรพามันเพนอะไรต่ออะไรวุ่นวายว่าอะไรไปนะอืมไปถึงปุ่มกันดอนเป็สุดสมถานเนี่ยเขาเขามาทุกวันบรรพามันดีเลยเลยเลยดีกว่าคนรู้จักบรรพาย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันบังใบเราไม่เห็นมาไปเห็นแต่เขาดีทุกวันอมนั่งพยาบาลปกติโรงเรียนปกติาำงานทำงานซะ เลือกงานมากินข้าวกินพายรถบุนมานั่งก็มาทานทุกเลยประมาณสองทุ่มสามทุ่มตับทุกวันไม่ต้องการวันพะเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันอาจารมาก็เพิ่งเรียนมาใหม่เพิ่งรู้จักก็เลยมาบอกญาติโยมเลยวันวันนี้วันพะจริงๆแล้วก็ดีเหมือนกันมั น, นมันมาทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นไซสอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่แหละฟังคำไม่ค่อยเข้าใจกันอ่า ฟังธรรมไม่พอใจกันแต่แต่ว่ามันจะพูดยากนะอะที่เขาเข้ามาแล้วยเขามาม า, มานั่งกรรมฐานนเงียบไม่มีพูดกันนะอัตมาไปในถึงสองอยันคนไม่มีที่นั่งเนี่ยเต่ไม่มีใครไปฟังไปชี้แจนให้เขาฟังนั่งกรรมการกันเดี่ยวลอยสินนี่ไม่ต้องไปสอนเขาแล้ยเดียบร้อยแหละจัดจ้าวมาสิงจามนี่ไม่มีใครไปทํามันแต่รอก แ, แต่แจ้กระจายหากินกลางวันนี่ เก็งจบๆเก่งๆคือตามเลยบ้านนอกบ้านนาแล้วบ้านเรามันก็เอาหัวมันไปฟักไปขีดขี่มันมัดมันมีเหลือหลายบ้านตั้งแต่มันหาจินตั้งแต่มันขึ้นนี่กระยางมือจับมันกรย่างไปคลานหาห้อยมันนึงห้อยกระจายมันสีไงเป็นได้ยื่นเ เพื่ออัตการเพื่ออะไรมาอยู่ว่านอนเอาให้มาทายเกียงนะมั่งท่านที่โกงเด็ดเด็ดหาห้อยกระจายยืนโอ้ยมันเป็นมือเจ้าเนาะบนแต่ห้อยขาวบนห้อยตัวแต่นอนเมื่อจะเขาร้อนมีแต่ประสนก็เอาเกล่งมาฝักสัญไรเอาให้มาตัวตัวเมอกระายแให้มาหีอยู่ในเมืองขีบ่อยเห็นขีมันเออเอาตายโด เดอะธรรมะที่อยากก็บา้านเฮานี่ใสกันได้ไหลายเขาถามอตาตมาหว่ามหาวิทยาลัยถามว่าท่านอาจารย์เมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธศาสนานี่เขามาปฏิบัติกันนั่นเขาหวังพระนิพพานหรือเขาหวังอะไรนี่ยเขาเนื่อว่าเราจะหวังพรนิพพานทุกคนเลยเรื่องศีล น, นี่เนื่อว่าเขาว่าจะจะไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วอ า, าาลาอาตมาก็ละอาจจะตอบตรงกัน อยู่เท็จจะไปพรนิพพานนั่นแหละแต่หน้ามันจะไม่ถึงหรือมั้งจะหาสวรรค์นี่ก็ายากหามนุษย์นี่ก็ายากโดยมากหานรกกันหานรก ก, กกันหลายกว่าสวรรค์หลายกว่ามนุษย์ก็เลยเปลี่ยะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเี่ยร่างไทยจะเป็นรักพุทธศาสนะจะไปพ ร, ระนิพพานมนุษย์คนก็หาไม่อ่ะลูกปติของคุณนั่นมันดีทุกคนไหมมันตั้งใจเรียนทุกคนไหม มันคารพบูตกคนไม้ตัอออว <c oughs> อย่างนั่นเหมือนกันโอเคตัวเสียไวาจะทําไงก็อย่างนั้นเหมนกันทะมีเมื่อนึกแค่ตัวกต้องการธรรมดาจริงๆแล้วว่าดาวตะวันมีนะ อ, อก็ให้ฟังธรรมก็ฟังธรรมไปโดยธรรมดารักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้น อ, อนั่งภาวนากันกสอนนั่งภาวนากันฟังธรรมก็ฟังไปอย่างนั้น จะเอาจริงๆริงจังๆนั้นน้อยที่สุดถึงอาตมาเลยคิดว่าบ้านเรานี่น่ะอาตมาจะมาสอนอยู่เนี่ยถึงยี่สิบสามปัญษาเลยนะสอนธรรมะดีนี้ทั้งหง้านาเมื่ออาตมาคิดไปแล้วคิดไปแล้วนะทุกวันนี้ค่ายๆกับไ อ, อ่ามาข้าวแห้งแลามาขุดขุดเอาเนื้อมันหมดนานแล้ ว, ดวเดนนี่ขุดจะกรามัน